เจริญพรท่านสาธุชนพุทธนาฏผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช5 5 5เป็นวันที่ท่านทั้งหลาย มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่ตางๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบําเพ็ญมาสร้างบุญสร้างคุสมด้วยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนในพระอริยสงสาร ว, ว่าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นผู้ที่สามารถ นำพาชีวิตของพวกเราให้จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหน้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ตัดสรุได้ด้วยตอวเองไม่มีใครที่จะสามารถ เห็นทมอันประเสริฐที่จะนำพาสัรโลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้ได้ไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตคือพระนิพพานได้นอกจากพระโพธิสัตว์ผู้ที่ได้บํงเพญบาลมีมาอย่างแก่กล้าเช่นเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้มาประสูตร เป็นพระราชโอรสเนื่องจากพ่อได้สะสมบารมีต่างๆมาอย่างโชคชวนชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเกิดเป็น พ, พระเจ้ชาชายสิท ธ, ธัตถะพ่อ ก, ก็ได้เกิดเป็นพระเวชสังดรทรงบังเป็นทานบารมีอย่างเต็มที่หลังจากนั้นพ่อ ก, ก็เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วจากสวรรค์ ก็เสด็จลงกลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพออายุได้29พรรษาพระองค์ก็เสด็จออกบวชเพื่อบงเพ็ญพระสัมมาสัมโพธิญาคือการตัดสรู้ที่จะทำให้พระองค์นั้นได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไม่ได้ส่งบำเพ็ญบารมีต่างๆมาอย่างโชคโชยจะไม่มีความสามารถที่จะตัดสรูเห็นพระอริยสัจ ส, สิได้จะไม่สามารถเห็นทุกข์ไม่สามารถเห็นต้นเหตุของทุกข์ไม่สามารถเห็นความดับทุกข์ไม่สามารถเห็นเหตุที่จะนำพาไปสู่ความดับทุกข์ได้ ต้องบันเพลนทานบาลมีศีลบาลมีปัญญาบาลมีเมตตาบาลมีเนคขมะบาลมีอุเบกขาบาลมีอธิษฐานบาลมีสัจจะบา ร, รมีและขันติบาลมีมาเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะมีความสามารถที่จะเห็นพระธรรมอันเลิศนี้ได้ นางทรงตั้งสัจจะบารมีในขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพต้องสร้างตั้งอธิษฐานสัจจะสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งอยู่ภายใต้ต้นไม้นี้ไปจนกว่าจะตัดสิ้ไปจนกว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจนี่คือเรื่องของบารมี ที่จาเป็นจะต้องมีถ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นอยากจะเป็นพระอาหารหันตสาวโลกนี้ก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุก่อนเมื่อทรงตัดสรุปแล้วนาเอาพระธรรมคาสองมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ได้บาเพ็ญบารมีมาพอสมควร ถึงแม้จะไม่ได้ถึงระดับของพระพุทธเจ้าก็ตามก็จะสามารถบรรลุเห็นพระอรยาศาศิยสัจสีได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้อย่างง่ายดายเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้บอกทางนั่นเองแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าทรงชี้บอกทางก็จะไม่มีใครในโลกนี้ ไม่ว่าจะได้บำเพ็ญบารมีมาแก่กล้าขนาดไหนก็ตามก็จะไม่มีความสามารถที่จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอริยรสัจสี่ได้ด้วยตนเองพระคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นพระคุณที่ใหญ่หลวงแก่สัตว์โลกเป็นอย่างมากเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวสัตว์โลกที่มีนับจำนวนไม่ท่วนี้ จะไม่มีวันไม่มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยดังนั้นใครก็ตาที่ได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระธรรมคำสอนได้พบกับพระอริยสงสาวกปได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโชค ว, ว่าสนาเป็นอย่างมากเพราะว่านานนาน จะปรากฏมีพระพุทธศาสนามาให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้เวลาอาหางระหว่างพระพุทธศาสนานี้ช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้ท่านว่ายาวนานเป็นกับเป็นการคำว่ากับคำว่าการ น, นี้ก็หมายถึงว่าเราไม่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องวัดที่เรามอยู่ในปัจจุบันนี้ เช่นคำว่าแสนล้านปี ล, นล้านล้านปีนี้ก็ยังไม่ยาวเท่ากับหนึ่งกับดังนั้นผู้ใดได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นผู้มีโชควาสนามีลาภอย่างโมโหลานมากกว่าการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงร้อยครั้งเสียด้วยซ้ำไปการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรอยครั้งนี้ยังง่ายกว่า การได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและอ น, นิสงส์ที่เกิดจากการได้พบกับพระพุทธศาสนา<ม>ก็ดีกว่าการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1น0่ครั้งเพราะรางวัลที่หนึ่ ง, ง, งก็จะเพียงให้เรามีเงินทองมากขึ้นไปเท้งนั้นแต่เงินทองไม่สามารถที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ แตกลับจะผูกมัดให้เราเวียนว่ายตายเกิดนานขึ้นไปอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันเพราะความผูกพันอยู่กับเงินทองซึ่งเป็นเหมือนกับสมอเรือ <c oughs> เวลาที่เราจะออกเรือให้วิ่งไปสู่พระนิพพานได้เราจำเป็นจะต้องทองสมอเรือเราจำเป็นจะต้องไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ไม่โลกอยากได้ทรัพสมบัติเข้าของหนึ่งทองดังที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้ทรงปฏิบัติมาไม่เคยมีความยึดติดกับทรัพสมบัติกับพระราชาสมบัติเมื่อถึงเวลาที่จะสละก็ทรงสละได้อย่างง่ายดายเหมือนกับว่าไม่เป็นสิ่งไม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะพระ อ, องค์ทรงเห็นคุณค่าของการออกบวช มากก่อการอยู่เฝ้าสมบัติกองเท่าภูเขาเพราะสมบัติที่มีอยู่ไม่สามารถดับความทุกภายในพระไถยของพระองค์ได้นั้นเองแต่ทรงรู้ว่าการออกบวชเท่านั้นการปฏิบัติ บ, ตบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะนำให้พระไถยของพระองค์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่างตายเกิดได้ ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าไปหลงยึดติดอย่าไปหลงโลกอยากได้ทรัพย์สมบัติเท่ากองเงินทองมากกว่าเท่าที่จำเป็นเรายังต้องมีทรัพย์สมบัติอยู่เนื่องจากเรายังต้องรับประทานอาหารต้องมีเสื้อผ้าสวยไว้สวมใส่มียาไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บมีที่อยู่อาศัยเราขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ เราก็จําเป็นจะต้องมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองแต่เราไม่จําเป็นจะต้องมีแบบกองเท่าภูเขาใช้ไปร้อยชาติก็ไม่หมดเสียเวลาไปเปล่าปล่าและจะทําให้เราไม่สามารถตักตวงผลประโยชน์ที่เราควงจะได้รับจากการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ก็คือมีเวลาปฏิบัติธรรมมีเวลารักษาศีล มีเวลาทำบุญนั่นเองถ้าเรายัางหวงสมบัติยังโลภอยากได้สมบัติเข้าของเงินทองอยู่เราก็จะทุ่มเทเวลาของเราไปกับการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่ใจของเรานี้จะไม่ได้รับประโยชน์จากการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาดังนั้นขอให้เรา อย่าไปหลงกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากจนเกินไปขอให้เรามีเพื่อให้เราอยู่ดีกินดีก็พอแล้วไม่เดือดร้อนมีอาหารรับประทานมีเสื้อผ้าสวมใส่มียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยถ้าเรามีพอเพียงแล้วเราก็ควรที่จะหันทิศทางของเราจากการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาหาทรัพย์ภายในกัน มหามรรคผลนิพพานที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่ชนั้นแล้วถ้าเรายังยุ่งกับการสแสวงหาเงินหาทองอยู่เวลาตายไปเราก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่แล้วกลับมาโอกาสหน้าก็ไม่ไม่รู้ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าไม่พบก็จะยิ่งไม่มีโอกาส ที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเราจะต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกกับการพลาดาจากของที่รักของที่เราชอบไปทุกภพทุกชาติไม่มีวันสิ้นสุดชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษที่สุดสำหรับชาติหนึง่งเพราะว่าเราได้พบผู้ที่จะพาเราออกจากคุกตางแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ภพตารางแห่งความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไม่รีบขวนขวายเดี๋ยวหมดเวลาคือร่างกายตายไปเราก็จะหมดโอกาสอันดีอันนี้ดังนั้นเราจึงควรที่จะมีศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ ชีวิตจิตใจของเราอย่างยิ่งแล้วพยายามทุ่มเทศึกษาพระธรรมครรมสอนของพระพุทธเจ้าและนำเอาไปปฏิบัติด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วรับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันต่อไปอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของศรัทธาความเชื่อ เชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสอนว่าเป็นธรรมที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นธรรมที่จะสามารถพาเราให้ได้ไปพบกับความสุขที่แท้จริงพาเราให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราเหมดหรือสิ้นทุกข์ได้ กลับจะเพิ่มความทุกข์ให้กับเราเพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองคือไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเวลาดับก็จะนำความทุกข์มาให้แก่เราเช่นเรารักอะไรเราชอบอะไรเวลาที่เราต้องเสียสิ่งนั้นไปเราจะทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราอย่าไปหลงยึดติดกับสิ่งที่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงอย่าไปทุกข์กับสิ่งที่จะต้องดับอย่าไปทุกข์กับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราของทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติชั่วคราวสมบัติที่แท้จริงของเราคืออะไรสมบัติที่แท้จริงของเราก็คืออริยทรัพย์นี้เองคือทรัพย์ภายใน คือบุญคือกุศลที่พวกเรากําลังมาบําเพ็ญกําลังมาปฏิบัติกันในวันนี้นี่คือทรัพย์ภายในทรัพย์แท้ทรัพย์ที่ไม่มีใครจะมาแย่งชิงจากเราไปได้ทรัพย์ที่เกิดจากการทําบุญให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรม ขอให้เราพยายามทำให้มากมากเถิดแล้วผลอันเลิศอันประเสริญนี้จะเกิดขึ้นกับเราได้เหมือนกับที่เกิดกับพบระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเป็นเวลาถึง2500กว่าปีแล้วก็ตามแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดประสิทธิภาพ สามารถยังประโยชน์ให้ผู้ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติได้รับผลเช่นเดียวกับในสมัยพระพุทธการเพราะธรรมะนี้เรียกว่าเป็นอากาวิโกไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ย่อมเสื่อมไปตามกฎอนิจจ์แต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่เสื่อมไปจาก ไม่มีวันเสื่อมจากการที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นได้รับผลแต่อาจจะเสื่อมตามสภาพของโลกที่ไม่มีคนสนใจเสื่อมศรัทธาถ้าเสื่อมศรัทธานี้ธรรมะก็จะหายไปจากโลกแต่ไม่ได้หมายความว่ายังไม่มีธรรมะเหลืออยู่เพียงแต่ว่าไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครดูแลรักษาธรรมะก็เลยเหมือนถูกเวลาเวลาก็บเอาไว้ธรรมะไม่สูญหายไปไหนแต่ไม่มีคนสนใจนำเอามาใช้กันเท่านั้นเองถ้าถึงเวลานั้นก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาขุดคุยหาธรรมะที่พวกเรากบฝังไว้ใน ในดินแห่งกาลรรเวลานี่คือเรื่องของธรรมะมีประโยชน์ทุกการทุกเวลาสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติตามนี้บรรลุมรรคผลนิพพานได้สามารถทำให้หลุดพ้นจากการเยียนว่ายตายเได้ทุกยุคทุกสมัยและไม่ไม่ว่าจะเป็นเพศหรือเป็นวัยก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ เป็นหญิงก็ปฏิบัติได้เป็นชายก็ปฏิบัติได้เป็นผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติได้เป็นเด็กก็ปฏิบัติได้เป็นคารวา ก, ก็ปฏิบัติได้เป็นนักบวชก็ปฏิบัติได้อยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นที่เรียกว่าปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเราต้องพยายามศึกษาแล้วปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เช่นทานก็พยายามให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถให้หมดได้เลยไม่หวงไม่ห่วง ไ, ไม่ยึดไม่ติดไม่ต้องการมีข้าวของเงินทองมากกว่าเท่าที่จำเป็นจะต้องมีเท่านั้นศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์ทุกวันขั้นต้นการักษาศีลห้าไปก่อนศีลแปดก็รักษาวัน พระวันธรรมสวัสดิ์ต่อจากนั้นก็เพิ่มวันรักษาสีแปดให้มากขึ้นจากวันพระก็เพิ่มเป็นวันก่อนวันพระวันหลังวันพระต่อจากนั้นก็รักษาไปทั้งเจ็วันเลยถ้าการปฏิบัติธรรมของเราเจริญก้าวหน้าเราจะมีกำลังที่จะรักษาสีได้อย่างง่ายดายดัยงนั้นเราต้อง นอกจากรักษาศีลแล้วเราต้องปฏิบัติธรรมให้มากธรรมที่เราต้องปฏิบัติข้อแรกก็คือสติเราต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อนเพราะสตินี้เป็นเหมือนพ่อแม่ของธรรมที่เราจะต้องสร้างต่อมาคือสมาธิและปัญญาถ้าไม่มีสติเราจะไม่สามารถนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้ ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกำลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาไม่มีกำลังที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เห็นความไม่มีตัวตนในสิ่งทั้งหลายในโลกที่เรากำลังหลงยึดติดได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเห็นความจริงเราก็จะไม่สามารถปล่อยวางได้เราก็จะยึดติด ถ้าเรายึดติดเราก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่เรายึดติดเสมอไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นความสุขทางรูปสีกลิ่นรสผดทพะไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดของร่างกายของเราสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา เราจะไม่สามารถที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้พอเราไม่ปล่อยวางเวลาเกิดการที่จะต้องปล่อยวางเราก็จะเครียดเราก็จะทุกข์เช่นเวลาที่ร่างกายนี้จะต้องตายไปถ้าเราตัดไม่ได้ปล่อยไม่ได้เราจะเครียดเราจะทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะปล่อยได้เพราะการป่อยนี้ก็คือการทําใจให้เฉยเฉยเท่านั้นเองทําใจให้นิ่งไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจะเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาดูแลเขาไปตามกําลังที่เราจะดูแลได้ ไม่จะายมียาก็กินไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้มันหมดลงไปก็เท่านั้นเองเจ็บก็ร่วมเจ็บแต่อยา็ปยากให้มันเจ็บหายไปเพราะอยากแล้วมันจะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาต้องทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นกลางให้ได้และสิ่งที่จะทำให้ใจนิ่งได้สิ่งแรกก็คือสติ สติก็คือการควบคุมความคิดของเราควบคุมใจของเราไม่ให้คิดเรื่อยเปื่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ให้คิดอะไรเลยให้รู้เฉยๆเช่นรู้ว่าเรากำลังทำอะไรกำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกำลังยืนก็รู้ว่ากำลังยืนกำลังนั่งกำลังนอนกำลังรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำกาลังหวีผม กำลังแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังขับรถกำลังทำงานก็ให้ใจเรารู้กับงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่อย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มียกเว้นว่าเรามีความจำเป็นจะต้องคิดก็คิดได้แต่คิดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น น, นี้เราต้องการหยุดความคิดเพราะความคิดนี้จะทาให้ใจเราฟุ้งซ่านทำให้ใจเราหดหู่ทำให้ใจของเราวุ่นวายทำให้ใจเราวิตกกังวลถ้าเราไม่คิดได้แล้วใจเราจะเย็นจะสบายจะว่าและเวลาเรานั่งสมาธิใจเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็ว เวลานั่งหลับตาแล้วท่องพุโทโธพุธโทโธไปถ้าไม่คิดอะไรไม่นานใจก็จะวุบลงไปนิ่งสงบสบายพบกับความสุขที่มหัศจรรย์ใจเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการถูกรอตรีรางวัลต่างๆเพราะว่าถูกรอตรีนี่มันไม่ได้ทำให้ใจเรานิ่งให้ใจเราสงบแต่กลับทำให้ใจของเราวุ่นวายต่อไป าะจะต้องวิตกกังวลกับเงินทองที่ได้มาว่าจะทำอย่างไรกับเงินทองที่ได้มาจะอยู่กับเราต่อไปนานหรือไม่ก็ไม่รู้ก็ใจก็จะไม่มีความสุขไม่เหมือนกับเวลาใจเข้าสู่สมาธิใจสงบแล้วเย็นสบายว่างเปล่าไม่มีอะไรมารบกวนใจนี่คือความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราแต่กำลังรอให้เราทำให้เกิดขึ้นมาด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิถ้าเราสามารถเจริญสติและนั่งสมาธิได้ยอย่างชำนาญแล้วต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็จะใช้ปัญญามาดูแลรักษาความสงบเพราะเวลาเราออกจากสมาธิมา แล้วพอใจของเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความทุกข์เกิดความอยากขึ้นมาได้เกิดความวิตก ก, กังวลเกิดความห่วงเกิดความวุ่นวายใจได้แต่ถ้าเราเอาปัญญามาสอนใจว่าสิ่งที่เราไปยุ่งด้วยไปวิตกกังวลด้วยนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้ เขาจะเป็นอะไรอย่างไรนี้เราบังคับเขาไม่ได้ตลอดเวลาบางเวลาเราอาจจะบังคับเขาได้แต่บางเวลาเราจะไม่สามารถบังคับเขาได้เช่นลูกของเราตอนที่เขาเป็นเด็กๆ เ, เราสามารถควบคุมบังคับสอนเขาได้แต่พอเขาโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะสอนยากขึ้นไปตามลำดับ จนในที่สุดเราก็จะไม่สามารถสอนเขาได้เพราะเขาจะเป็นตัวของเขาเองเขาจะไม่อยากจะฟังคำสั่งสอนของเราถ้าเราทำใจไม่ได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะเศร้าโศกเสียใจคิดว่ารูปไม่รักเราแต่ความจริงเขาก็รักเราเหมือนเดิมแต่เขาต้องการมีอิสระภาพเขาต้องการเป็นตัวของเขา หมือจับที่เราต้องการเป็นตัวของเราไม่มีใครอยากจะเป็นท่าถุงไข่ดังนั้นพ่อแม่อย่าไปเลี้ยงลูกแบบเลี้ยงท่าเลี้ยงลูกให้เขารู้จกักคิดให้ลูกจักทําให้เขารู้จักพึ่งตัวเขาเองพอเขาโตแล้วเขาอยากจะมีสละภาพเขาจะได้สามารถดูแลชีวิตของเขาไปได้อย่างปลอดภัย เราอย่าไปยึดติดกับเขาเพราะเขาไม่ใช่เป็นสมบัติของเราเขาเป็นเพียงสมบัติชั่วคราวเท่านั้นที่เขาจะต้องแยกทางจากเราไปเขาจะต้องมีชีวิตของเขาเองเขาจะต้องไปทำมาหากิน ม, มีครอบครัวของเขาเองเราอย่าไปบังคับเขาเพราะว่าจะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆแล้วจะทำให้โกรธกันไปเปล่าๆ แทนที่จะรักกันกับจะต้องมาโกรธมาเกือดกันเพราะว่าความหลงความอยากที่จะบังคับให้เขาอยู่ภายใต้ความต้องการของเรานั่นเองครอบครัวที่ไม่มีความสุขก็เพราะว่าไม่มีมัดไม่มีปัญญาไม่เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเร า, ย, ายิ่งควบคุมเท่าไหร่ก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้น แล้วก็จะลายระบายออกไปทำให้ผู้อื่นเขาต้องทุกข์ไปด้วยโดยใช่เหตุนี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาใจของเราจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้จะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้จะไม่ทุกข์กับคนนั้นคนนี้ใจจะสงบเย็นสบายอยู่เสมอถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนิจจงถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเรา ถ้าเราเห็นว่าถ้าเราไปยุ่งกับเขาเราจะทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือปัญญาที่จะสามารถทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้เกิดจากการที่มีสมาธิสมาธิก็เกิดจากการที่มีสติสติก็เกิดจากการที่มีศรัทธา ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระอริยสงสาวกคือเชื่อว่าพระสงสาวกนี่แหละเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าคนที่เชื่อมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ กายเป็นพระ อ, อริยสงสารกขึ้นมาได้พวกอริยสงสารกทั้งหลายนี้ก่อนที่ท่านจะเป็นสาวกท่านก็เป็นพวกเรานี่แหละเป็นพวกที่มีกิกเลสเป็นปุตุชนแต่พอได้ยินได้ฟังได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เกิดศรัทธาขึ้นมาอย่างแก่ว่าแล้วก็ปฏิบัติตามอย่า ง, างเต็มที่ จนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนแล้วเราน้อมนําเอามาปฏิบัติอย่างขมักขม่นอย่างไม่ท้อแท้อย่างไม่หยุดหย่อนไม่ช้าก็เร็วเราก็จะหลุดพ้น จากการเวียนว่าตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลานั่นเองสามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ทุกยุคทุกสมัยดังนั้นขอให้พวกเราจงมีความศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นไม่ต้องไปเชื่อคำสอนของผู้ เพราะไม่มีคําสอนใดๆในโลกนี้ที่เป็นคําสอนที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากคําสอนของพระพระเจ้าและคําสอนของพระอาลัยสงฆ์สาวกทั้งหลายเท่านั้นดังนั้นขอให้เราเชื่อพรอพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปเชื่อใครทั้งนั้นรเรารับรองได้ว่าสักวันหนึ่งเราจะได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐ พบกับความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนตรัยและบุกคุสมที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ